พระธรรมเทศนาแผ่นที่91ลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรธานีแสดงธรรมในวันที่21เมษายน2559มีชื่อเรื่องว่าพระกรรมฐานกับการสวดปฏิโมกวันนี้เป็นวันที่21 เมษายนพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันพระแรม15ค่ำเดือน5อเดือนเดือน5เพ็งวันนี้ขึ้นเนาะวันเพ็งวันเพ็งเดือน5ขึ้น15ค่ำเดือน5เป็นวันอุโบโสถ เมื่อเช้านก็วันพระจัดทายญาติโยงเข้ามาแต่วันนี้ก็เป็นวันอุโบสถของพระพวกเรา <c oughs> วันนี้พระลงอุโบสถทั้งหมดห้าสิบสองรูปสวดสวดพระปฏิโมกจบลงสักครู่นี้เรื่องสวดพระปฏิโมกเคทบท ทบถวนศีลของพระพระศีลสองิทุก15ห้าวันกลางเดือนปลายเดือนจะมีการสวดอย่างเมื่อกี้นี่ก็พระสพระ5้าอองค์ก็นั่งฟังพระองค์หนึ่งที่สมมติขึ้นมาเป็นผู้กล่าว เป็นผู้แสดงเป็นผู้สวดพระปฏิโมกให้พระทั้งหมด 50, 51รูปฝังเราจะสวดทุกกลึงเดือนกลางเดือนปลายเดือนทุกเดือนไม่ได้ขาดอันนี้คือการทบทวนศีลและวินยัยศีลสินเ2็ของพระตั้งแต่ปาราชิกสี่สังฆาทิเศษสิสา นิยตสองนิจคียปาจิตี3ามสปาจิตี92ปฏิเทจนิยะสี่เสกยวัฏ75รวมทั้งอธิกรณะสมถะเข้ารวมเป็น227สิเรียกว่าศินส2งีของพระใช้เวลาสวดถ้าหากว่าสบายๆกว่าหนึ่งชั่วโมงพอดีๆตาสวดแบบเร่งๆก็ประมาณส ประมาณ50 46ถ้าใครสวดได้46หนาทีไปว่าเร็วมากเกือบจะว่ากินสละอาหมดการสวดพระปฏิโมกข์วันนั้นให้พวกพระลูกหลานลูกหลานทั้งหลายควรจะเรียนควรจะศึกษานะพระปฏิโมกนี่นะพเรามีหน้าที่มีหน้าที่น้อยมากพวกเราไม่ได้เรียนปริยัต เราเรียนทางภาคปฏิบัติเรื่องจิตตพุทภาวนาแต่เรื่องศีลพวกเราไม่ควรจะปล่อยปละละเลยควรจะเรียนท่องทาสาธยายเรื่องพระปฏิโมกข์หลวงพ่อเองสมัยเป็นสมณีหลวงพ่อท่องได้แล้วนะทำไมบวชมาอายุสิอย่าง12อปี 2,500 หลวงพ่อบวชจากนั้นหลวงพ่อก็ บวชเข้ามาแล้วก็อายุสิบสามสิบสี่ได้ยินแต่ขว่าปฏิโมกหลวงปู่ท่านก็เอาปฏิโมกให้หลวงพ่อก็มานะโอ้ทำไมทำไมมันท่องขัดมกักมากนะจะท่องได้อย่างไงพอต่อมาบวชเป็นสัมมเรนทร์ก็สวดท่องสวดมนต์เจ็ดตำนาน สิบสองตำนานา ไ, ปไปสวดบนบ้านไปสวดป้าหงอะไรก็ได้หมดแล้วทหนจากนั้นก็ดูจับยิบหยิบพระปฏิโมกขึ้นมาที่ไรโอ้ท่องคำสองคำหายหาว่า้าวา ย, ยาเหมือนะแปลว่าใจไม่สู้เลยมีแต่ตัวบาลีทั้งนั้นแต่ตอนนี้ต่อมาอาจารย์ศรีลาอินทวังโสเป็นท่านเป็น บวชเมื่ออายุส0มสิกว่าปีอายุสาบสองปีมาท่านบวชเป็นหมอลำเก่าเเป็นคนอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดท่านบวชกับหลวงปู่ตื้อเอลงปู่อะไรที่เลนูนครนะอ่ะพอไปบวชเสร็จแล้วท่านก็เลยไม่มีพระปฏิโมกทานวันนะในพันษามันพระก็ครบอ่ พอครับพระครบไม่มีพระปฏิโมกสวดพระปฏิโมกพระสีองค์เนีย่ยถ้าาไม่มีองค์ไหนสวดปฏิโมกได้ก็ต้องไปลงอุโบสถที่อื่นนะเริ่มควางมนิมนต์นพระที่อื่นที่สวดปฏิโมกได้มาสวดในในถ้ำกลางถ้าหากว่าสวดไม่ได้ก็จะต้องไปร่วมกับวัดอื่นสมัยนั้นหารถรามันหาง่ายเมื่อไหร่มันหารถยาก ต่ก็อาจารย์ศิลานี่กท่านเป็นหมอลำเก่าใช่ ห, หัวดีอีกต่างหากดท่านก็มาท่องก่อนเข้าพรรษาท่องปฏิโมกในวัดหลวงปู่เลนูนครพอท่องท่านท่อง1ิบเน็ดวันท่านเราคิดอยู่เดียวนี่ก็ไม่น่าเชื่อนะแต่คนมันหัวมันต่างกัน ถ้าว่าคนที่หงวดหงิเมื่อกับอย่างว่าน่ปีนี่เมื่อก็อมไปได้ท่านว่าผมเราสวดเพียงสิบห้าวันสวดปฏิโมกได้จากนั้นขึ้นสวดได้เลยแล้วก็มีพระทวนอีกต่างหากเราได้ยินโอ้ทาไมาเก่งนักว่าเป็นเนนนะอายุสิบหกปีแล้ว <c oughs> ทำไมครูบาศรีลาเนี่าายทำไมเก่งนักว่า แต่นี้เราก็จวนจะเข้าพรรษาปีปีสิบหกปวดมาปีอายุสิบหกต่อสิบเจ็ดจะเข้าพรรษาอย่างไรเราก็จะท่องปฏิโมกขห้ได้เพราะในพรรษาในสมเดือนเพราะสวดมนต์สวดมนต์อย่างอื่นเราก็ท่องจบหมดแล้วเนี่ยทั้งนวโกวาดเราก็ท่องได้ทั้งเล่มอีกต่างหากนะตั้งแต่อนุศาสตร์แปดอย่างจนเกียดติขั้นทำการงานหก จะเป็นสัมมเดชเราท่องนะเราอยู่ในป่าจริงอยู่แต่เราท่องท่องหนังสืออันุสาสตร์แปอย่างนิสัยจีอักรณ์นิยรกิจหลวงปูล่ล่าท่านวักทาใครจํานวโกวัตทั้งเล่มได้ น, ะนักธรรมตรีในแค่เอื้อมเพราะนั้นหลวงพ่อยังท่องนวโกวาตทั้งเล่มนะจบจัแต่ อนุสาสตร์จนถึงเกียรติคานทําการงานหกจากนั้นเราเราก็ทั้งภาวนาด้วยทวงว่างกับทองนังสื้อด้วยแต่นี่นยังเหลือแต่ปฏิโมกอดีตอนัดทำมาจากก็ยังไม่ได้ท่องประวัตไม่ได้ใช้ท่องขึ้นมาไม่ได้ใช้แต่หลวงปู่ล่าเน่ยท่านท่านสวดได้หมดทมหาสมัยเนีท่านท่องกับปากเลยเด้อดีตอนัดทำมาจากเนี่ยท่านพูดไปเลยนะ่ะท่องไปเลยนะเออข้อไหนข้อไหนข้อไหน คล่องแต่เราไม่ได้ทองอดีตนนธรรมปรจักมหาสมัยปฏิโมกเนี่ยก็พอจับขึ้นมาแล้วก็ดอ่อนอกอ่อนใจหาววากขาววายเพราะในสุดหลวงปู่สิลาอาจารย์สิลาที่เป็นครูบาของเราเน้ยเน้นอินไม่มีทางแลอจิตใจละแหละอ่อนแอางนีจะไปท่องปฏิโมกได้เราก็ฮึดสูดไม่ได้จริงๆแล้ว เราก็คนคนหนึ่งเอ้งในพรรษาเนี่ยนะสามเดือนนะเราจะท่องไ ป, ปฏิโมกให้ได้ เ, เราจะเราจะเอาวันละหกแถวตั้งสัจจะได้สิในในหนังสือทั้งเล่มนะเราจะเอาวันละหกแถวไม่แหกขาดไม่แหกไม่ให้ขาดถ้าวันไหนได้เกินก็ไม่ว่ากันแต่วันอย่างน้อยวันละหกแถวตั้งแต่เข้าพรรษามาเอาแลยสิใน ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ท่องปฏิโมกข์วราะตั้งใจท่องอย่างเดียวพอจันทร์ยังหันเสียแล้วก็ท่องพอตอนบ่ายท่องพอตอนเย็นก็ทบทบทวนอพอกลางคืนก็ท่องอพอท่องเสร็จก็หลับตาพอหลับตาวางปฏิโมกท่องย้อนหลังหลับตาแล้วก็ท่องย้อนหลั ง, ลลอ ง, อลงพอย้อนหลังเสร็จแล้วก็จับแม่จับตัวปฏิโมกขึ้นมาท่อง อ, อีกพอถอดก่อนจะนอนเก็นั่งภาวนา เหนื่อยแล้วพอแล้วเทไงหลับตาท่องอีกท่องแล้วก็หลับไปเลยเลยเทออ <c oughs> แต่บันตาไม่จริงพอเอาข้อจริงๆงมันเกินเลยมันเกินวันละหกแถวเลมันกว่านั้นอีกแต่บางแต่บางวันก็มันยากจริงๆกันไนี่ะไสิคาบที่ยี่สิบเจ็ดของปฏติโมกเนะ่ อายะตันจะวิทะตันจะสปิตันจะสุปวิตันจะสุเลคิตะสุวิจิตันจะกโลธามิตัตันกับตันอยู่นั่นโอ้ตัวขยับตัวนี้ได้ใช้เวลานานตัวนี้อายะตันจะวิทะตันจะสุปิตันจะสุปุวิเลคิตะขีขาบทที่ยี่บเจ็ดของนิจกียปาเจตียเอแต่พอเอาเข้าจริงๆได้เดือนครึ่งนะ ได้เดือนเครื่องจบเลยปฏิโมกมันไม่ถึงสามเดือนเดือนครึ่งเท่านั้นจบเป็นสัมมเดชจากนั้นก็ท่องธรรมจักอกีกสองวันอนัตอีกวันกว่าอเ ด, ดเดตอีกวันกว่าเพราะมันซ้ำๆกันพอท่องปฏิโมกใช้สูตรเดียวกับท่องปฏิโมกมาท่องอดเดตอนณตธรรมจักจบไม่นานเลยท่องได้หมดเลย จากนั้นแต่ไม่ได้ท่องมหาสมัยนะมหาสมัยเนะี่ไม่คิดว่าไม่ได้มันยาวเกินไปกับเอไม่ได้ท่องกับไม่ได้ใช้อีกไม่ได้สวดอะไรเลยไม่ได้ท่องนะมีแต่ท่อง <c oughs> อนัตเธรรมมาจากกัปวัตนสูตรอนัตตรักนสูตรอนิตตะปริยายสูตรอแล้วกับปฏิโมกอจากนั้นก็ทบทวนเรื่อยเรื่อย <c oughs> ไม่ให้มันหลงมันหลงทีนี้ บางทีก็ตอนเช้าเย็นตอนเช้าตื่นมาแต่เช้าก็ทบทวนบางทีลงไปบินทบาบาทเดินไปบินทบาทเอาบาตรตบตรงปูข้องคอแล้วก็เดินไปก็ท่องไปด้วยอท่องปฏิโมกไปด้วยทำมันไม่ได้ภาวนาแต่วันไหนภาวนาก็ภาวนาถ้าไม่ได้ไม่ไม่ภาวนากตั้งแต่อุปัฏฐาการณะโตปุเบนะวะวิถังปุบกิดยังกาต่ บ, บังหัวติตันท่านา บางทีก็ท่องในใจนะอแต่ท่องออกปากมันเหนื่อยเวลาเดินนะแต่ท่องในใจแต่ท่องค่อยๆท่องท่องท่องท่องบางทีก็หลงหลืมบ้างเหมือนกันนะถ้ากลับมาเลยตรงมันหลงตรงไหนเราก็จําได้มามาดูจุดนั้นอีกดูท่องตอนนั้นอีกให้มันคล่องนั่นแหละอันนี้คือการท่องพระปฏิโมกจากนั้นเมื่อครบอายุบวชเนี่ย บวชเมื่ออายุยี่สิบปีแต่หลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่ล่าท่านบอกว่าให้นับท่านนับอาจากท้องเลยสามเดือนนะหลวงพ่อท่านบวชเดือนสามนะหลวงพ่อบวชเดือนกุมภานะแต่หลวงพ่อเกิดเดือนเมษาหลวงปูล่ลาท่านว่าเอานนับในท้องสามเดือนก็พอแล้วล่ะแต่ตามไม่จริงเขา พระในพระวินัยเขาก็าให้นับในท้องในท้องแม่เนะี่ยเก้าเดือนนะถ้าว่าเป็นผู้มีอายุทาแม่ที่มีอายุนะี่ยก็สิบเดือนคนโบรานเขานับขนาดนั้นแต่นะในพระวิ น, นนะัยเนี่ยสาวมานเก้าเท่ามานสิบไอ้เขาว่าที่มีลูกในท้องเนะี่อถ้าเป็นผู้หญิงสาวเนกะ้าเดือนทนะาเป็นผู้มีอายุขึ้นมานะ่ะสิบเดือนนะ แต่ท่านหลวงพ่อน่แม่อายุแกแล้วนในขณะที่หลวงพ่อเกิดว่าเป็นเกือบเกิดเป็นเกือบลูกจุดท้องคนที่เกือบสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าจะนับสิบเดือนก็คงได้แต่หลวงปู่ลาท่านบอกว่าเอาสามเดือนแต่นั้นหลวงพ่อก็บวชเตือนสามพอบวชเจ็จแล้วกลับมาก็พาลงไปวัดหลวงปู่มหาบุญมีสมัยนั้นก็มีพระ หลวงปู่ล่าจะไปลงอุโบสถที่วัดหลวงปู่บุญมีถ้าหากว่าฝนไม่ตกไม่มีอะไรถ้าฝนตกฟ้าร้องหรือว่ามีอุปสรรคท่านก็ลงอุโบสถอธิษฐานอุโบสถอยู่ที่ผู้เจ้า ก, ก่อสองสมองค์สององค์สมองค์ถ้าหากว่าฝนไม่ตกไม่มีอะไรพอฉันจังหันเสร็จลงไปละลงไปหลวงปหาบุญมีบ้านเหล่า บ้านเหล่าโคกกลางเขาไปแล้วก็ได้เวลาแล้วก็ประมาณชักนี่ยหละอโมงเลยสวดพระปฏิโมกล์พอไปทันแรกท่านหลวงปู่ล่าท่านก็ว่าเออให้ท่านอินที่บวชใหม่เนี่ยเขาท่องปฏิโมกมาตั้งแต่เป็นเนนจบแล้วกับผมก็ได้ฟังที่เขาสวดให้ฟังทบทวนคิดว่าน่าจะใช้ได้คิดว่าถูกอัคระอยู่ขอ ท่านอินสวดปฏิโมกข์ครับผมหลวงปู่ลาท่านขอหลวงปู่มหาบุญมีหลวงปู่เนี่เออเอาหลวงพ่อก็ขึ้นเลยขึ้นตามที่หลวงปู่ลาแนะนนะําน่ะอพอขึ้นสวดจบฮต่างคนก็ต่างนิ่งหลวงปู่บุญมีท่ออานก็เออใช้ได้หลวงปู่ลาเออเอ า, เอาใช้ได้ขนาดนี้ขนาดได้ขนาดนี้ก็นเก่งล้วล่ะนัดแรกแนันะ่นอย่างนั้นหลวงพ่อเอง พอต่อมาหลวงพ่อก็สวดเรื่อยๆเลยนะพอได้สวดครั้งหนึ่งแล้วพ อ, พอต่อมาก็ไปมาอยู่กับหลวงปู่จามพอปีพรรษาที่เก้าเนี่ยท่านก็สวดที่หลวงปู่จามบางบางครั้งที่มีพระมาครบรนะจากนั้นก็ได้มาลาจากหลวงปู่จามมาสวดที่วัดหลวงปู่ฟั่นอีกเลยหมวงปู่ฟั่นก็ไม่มีพระไม่มีพระปฏิโมกสมัยนั้นนะหลวงพ่อก็สวดวัดหลวงปู่ฟัน่นวัดอุดมสมพร จากนั้นจนเจ้าคุณพิสารเจ้าคณะจังหวัดสมัยนั้นะป็นเจ้าคณะอำเภออำเภอบานานิคมรองเจ้าคณะจังหวัดแต่เอ้ยจะไปที่ไหนนะท่านนะองค์นี้นะสวดปฏิโมกข์ใจได้อยู่ที่นี่แหละที่นี่ไม่มีพระปฏิโมกท่านอยู่ที่นี่นะ เ, เจ้าคุณพิสารแต่เราก็ฟังเอาไว้แต่เราก็ชอบอยู่ในใจหลวงปู่ฟันติ้งใสยเยือกเย็น แต่ว่าเราจะจะศึกษากับกูบาลอาจารย์อง์อื่ น, นเราก็เลยมาลามาอยู่ที่วัดอาจารย์สมัยดอนเขืองบ้านอะไรหลวงปู่สมัยอยู่ก็มาอยู่กับท่านช่วงระยะหนึ่งเพราะท่านเคยไปอยู่กับหลวงปู่มหาบุญมีที่บ้านเหล่อาอำเภอคำเชียมุกดาหารมาก่อนจากนั้นหลวงพ่อก็ได้มาสวดปฏิโมกขี่นันจากนั้นก็จะมาอยู่กับหลวงปู่สิงห์ทอง แต่ม่ได้สวดหลวงปู่ชิงทองเพราะหลวงปู่ชิงทองหลวงปู่อุ่นท่านสวดเก่งอยู่แล้วจากนั้นหลวงพ่อกล็ลาท่านมาทํากงเพลนมาทํากองเพลนมาสวดที่ทํากองเพลนอีกนะไอ้สวดที่ทํากองเพลนะพลจากนั้นก็ไปเข้าบ้านตาดพอเข้าบ้านตาดไปฟังปฏิโมกบ้านตาดโอ้โหท่านจันประยูนที่ท่านสวดท่านเป็นคนจันทบุรีท่านพูดชัยชัด ตัวรอตัวอะไรเนะี่ยชัดชดเจนทุกตัวเราก็เลยถอยไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เสนอตัว เ, เก็บตัวแบบเงียบาจากนั้นเราก็พยายามท่องอยู่นะเพราะปฏิโมทนะําไม่ท่องมันลืมเลยหลงลืมได้ง่ายเลยถ้าลืมตัวเดียวเท่านั้นแหะมันปัญหาเลยละ่ะ เ, เพราะฉนั้นเราก็พยายามท่องไว้อยู่เสมอนะแต่ท่องห่างห่างนะ ไม่ได้ใส่ใจมากพอต่อมาท่านจูนเป็นวัด่ีไปท่านเป็นวัดท่านไม่สบายท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านอินนี่ได้อยู่นะปฏิโมกคืเคยท่องเคยสวดมาแล้วเนี่ยถามถามดูเอาท่านอินนี่สวดใจไหมหลวงตาท่านก็บอกว่าเอ้ยพระในวัดทั้งวัดของเราเนี่ยตั้งหลายองค์พระน้อยพระหนุ่มก็มีอยู่ก็น่าจะปฏิโมกไม่ไม่น่าจะให้องคเดียวสวดนะ คือตามปกติองคหลวงตานี่ยท่านจะลงปฏิโมกตประมาณชักตีกว่าๆนะลูกหลานนะตีสีครึ่งประมาณตีสครึ่งเกือบตีหจรจนสว่างพอสวดเสร็จแล้วก็สว่างนะปฏิโมกของหลวงตาพอใครนอนตื่นสายเนะ่ระวังให้ดีก็แล้วกันนะจุดนี้นะต้ององค์ไหนไม่มากันรีบไปบอกกันบังลึงตึงนางบัลังตังหนึงนะ่งล่ะบางทององีองค์กับภาวนา เสร็จแล้วก็พอนั่งไปก็เ ง, งียบไปจะไปนั่งทางหลับก็มีใช่ไหมล่ะเอพอไปถามลึงตึงตังลุกขึ้นมาอหอบกาน้าวิ่งลเลยก็มีบางทีกับบุดวิดก็มีหลายๆองค์เหมือนกันเพราะมันหลายครั้งใช่อพอเนี่ยกตอนตีนะั้ท่านก็ทำวัดย่อๆท่านมาได้ทำวัดยาวหรอกพอทำวัดเสร็จแล้วก็พระประจำที่แล้วก็ สวดปฏิโมกอย่างที่พวกเราสวดเนี่ยพอเสร็จแล้วก็สว่างพอสว่างเสร็จแล้วท่านก็ลุกเก็บผ้าจีบรเก็บที่นั่งจัดที่นั่งพระก็ลงถูสลาเลยถูสลาที่จะออกบิณฑบาตจากนั้นก็เบิรนพิธบาต์องค์ที่ไปทํากิจวัตรข้อวัดในกุฏิท่านก็ไปเหมือนกับทุกวันแต่ท่านก็นั่งอยู่สลาต่อเลยท่านก็ดัดเส้นของท่านกายบริหาร หลายหลายท่านะของบริหารของหลวงตาท่าหลวงพ่อดูแลหลวงพ่ อ, อยังจำได้ทุกท่าที่ท่านบริหารกายของท่านเสร็จแล้วท่านก็เดินไปเดินมารอบศาลาพวกเราก็ถูสลาพอได้เวลาได้เวลาปั๊บนาฬิกาเนะี่ยท่านก็ครองผ้าทันทีเลยจากนั้นท่านก็เอาบาทของท่านตะภายเองอย่างที่หลวงพ่อพูดไม่ให้พระตะภายบาด ท, ท่านตะภายบาทเอง ไม่ให้มีมมองค์ไหนตะภายบาดนั้นบาดเปล่าบาดเปล่าน่มาทำบายเท่าเราตะภายเองก็ได้บาดมันปอมมันไม่เห็นจะหนักที่ตรงไหนไปอย่ามายุกพระทั้งหลายก็รู้กันไม่มีใครที่จะเอาตะพายบาด ท, ท่านหรอกมีแต่ท่านอุ้มตะภายบาดเข้าไปทางซ้ายนะตามปกติท่านโดยมากพระจะคล้องคอนะเวลาไปบินทบาทแต่ลุงตาเนี่ยตะภายบาด ท, ทางทางซ้ายนะให้ พาดพาดทับลูกบวกอที่คลองพาดทัดบับลูกบวกทางซ้ายจะท่านกัมือประคองเเวลาท่านนั่น่ะเวลาเวลาท่านไปบินทาบาทมือต้องปคล้องบาทตลอดเลยนะอจะเดินตรงเลงตรงเลงที่ไม่ประคองบาทไม่ได้นะท่านเห็นขึ้นมาท่านชี้นิ้วทันทีเลยนะถึงจะคล้องค อ, งองก็เถอะต้องมือประคองบาทบ้างข้างหนึ่งต้องประคองบาทถ้าหาวาองใดก็ตาม ถ้าหากว่ามีบาดบาดถักนะบาดถักอด้วยไนลอนหรือว่าพรมก็ตามถักบาดไม่มีฝาไม่มีฝาปิดบาด ท, ท่านจะชี้นิ้วทันทีเลยของหลวงพ่อหลวงพ่อเขาถักถักไหมพรมให้อย่างดีให อ, อถักไหมพรมก็ถวายไหมพรมหลวงพ่อก็ใช้ไหมพรมเข้าไปพอเข้าไปท่านมันบาดมันหลุดได้ง่ายนะ่ะเดี๋ยวฝาบาดหลุดน่ะเ อ, อทําไมทําไมไม่มีเปกบาด มันต้องมีปีกเข้าใจไหมเวลาเปิดออกมาแล้วก็ปิดแล้วก็ต้องอาใช้ฝาผ้าปิดจะไปใช้อย่างนี้แหละเจ้าชู้ขนนางนะ่ะฮะเราก็ต้องรีบเปลี่ยนอีกเหมือนกันนะเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างทุกวันเลยล่นะที่มีฝาปิดทั้งสองข้างเวลาจะเปิดเวลาจะไปเข้าไปในบ้านแล้วก็เปิดเปิดข้างข้างตัวลงแล้วก็ปิดข้าง ข้างข้างข้างนอกไว้เวลาจะรับบาดแล้วก็เปิดข้างนอกออกแล้วก็จับฝาพอจับไปก็ถ้าว่ามีคนห่างไกลกจับฝาทาั้งแล้วก็ปิดขึ้นมาอีกเพื่อไม่ให้ฝาบาดมันหลุดนะลงตาท่านพิธีพิถันขนาดนั้นนะจากนั้นท่านก็นเดินไปบินทบบาทท่านรักษาบาดของท่านถ้าเดินบาดต้องเอามือประคองบาดข้างนึง แต่โดยมากเอามือข้างซ้ายนะประคองบาทถ้าหางว่าค้องคอนะนี่แหละจากนั้นเวลาสวดปฏิโมกเสร็จแล้วกันนะทากิ จ, จวัตรขอวัดจะไปบินทบาทแต่หลวงพ่อเนี่ยต่อมาท่านท่านยูนไม่สบายบ้าเนี่ยเป็นเป็นวัดอย่างที่ว่าท่านสวดไม่ได้พระปฏิโมก็สวดทำไมพระในวัดเนี่มันไม่คิดไม่อ่านบ้างเหรอะน้อยพนุก็มตังเยอะแยะ ทำไมพระยังมีให้องค์เดียวสวดอยู่เนี่ยมันไม่คิดเหรอพระไม่ช่วยกันคิดบ้างเหรอฮนะพอท่านพูดอะไรท่านสาเรืองขาพระท่านก็เสนอขึ้นมาว่าท่านอินสวดได้นะองค์ไหนสวดได้นมาสวดสิทาไมมาสวดโอตายแต่นในหลวงพ่อก็พยายามท่องแระเบิดท่องท่องให้คล่องกว่านั้นเลย แบบทักไม่อยู่เลยแล้วเงันแต่เอาให้คล่องที่สุดขนาดเดินบิณทบาทไปในบ้านเนยตามปกตินะเบินบิณทบาทสวดปฏิโมกใครสวดปฏิโมกเดินไบินทบาทในบ้านไม่หลงลืมนะเก่งนะเอแต่หลวงพ่อเนี่ยโดยมากลืมอบางทีหลงหลงหายไปบ้างหลงลืมไปบ้างอแต่คราวนะั้นเนี่ยแปลว่าท่องตั้งแต่ออกจากวัดป่าบ้านตาด จนมาถึงใกล้ๆเข้าแถวนั้นแะแถวท้องนาเนะ่ะจงค่อยจบปฏิโมกขจบเลยนะบ่หวังเรามั่นใจ <c oughs> มั่นใจได้จากนั้นก็ท่านยยงบอกเวกนี้ท่านอินจะจะสวดปฏิโมกกับผมเออเอาขึ้นเอานะให้มันถูกนะเคยสวดที่ไหนมาก่อนล่ะเคยฝึกมาก่อนไหมลนะ่ะ จะไปแห็นเดไล่ลงจากธรรมะนะที่นี่ไม่ใช่ที่สอนมวยนะมันที่ฝึกไม่ใช่ที่สอนมวยนะมันที่ชกแล้วนะคล้ายๆกับว่าไม่ ม, มาสอนกันในธรรมะไม่เอาแต่ลงตาไล่ลงธรร ม, มาะเลอทีนี่ท่านผลก็ขึ้นมาเราก็กราบคารวะท่านอย่างที่โอกาจังเมพันเตเสโรเสร็จแล้วเราก็ขึ้นธรรมะสวดปฏิโมก พอส ว, ส, ว ส, ว ส, วสวดสวดไปท่านก็ทักหน่อยหน่อยหนึ่งท่านคงให้กําลังใจมากออพอมันขึ้นใหม่คล้าวใหม่ทักใหม่ท่านจะทักหน้าทักหลังก็กลัวมันนะพอเราเนี่เคยสวดที่ไหนมาโอ้โหแบบรวดเลยลัวเล ย, เลยว่ากันเราเนี่ชอบปฏิโมกเร็วเร็วว่างันออพอสวดขึ้นมาก็รัวเลยพอจะตากรนตกวพอเป็นาวาวีถังพอภาคิจยังกตาตะบางหุ แต่มันกินสระอาเนี่ยกินสระอาก็กินสระอูก็กินสระอีเน o, ีน e, นะ่ยเออมันเป็นอะเป็นอูเป็นอ e, ีไปหมดเนะี่ยมันอีเนีท่านก็อีอโอเออท่านก็เตือนแต่ท่านก็ไม่เตือนมากวันแรกเราก็เออใช้ได้วะไปปิโมกข์พอแม่กุญชานไม่ไม่เตือนมากเท่าไหร่ไปแต่ในข่าวสองมาอีเถินท่านยูนเอาคลขึ้น จันอินเออเอาพอเขาได้ท่านตั้งหลักได้ใช่ไหมล่ะเออท่านสี่หันเลยเนี่พอขึ้นไปแต่นั่นแหละท่านวันนั้นยังจําได้ว่าเป็นวันเออวันวันข้าวฉลากและวันข้าวประดับดินนี่แหละคือชาวบ้านเขาจะมาตักบาตตอนเช้านะประมาณเจ็ดโมงเขาจะมามาหกโมง ก, กว่าเกือบเจ็ดโมงเขาจะมาตักบาตตอนเช้าบินท บ, บาทรอบสาลา แต่ในวันนั้นกขาไม่ได้บินธบาบาทเราจะบินเทบาทรอบสลาแต่ได้กับสวดปฏิโมกตอตามปกติปฏิโมกต์ก็นเอแหละอย่างที่ว่าใช้เวลาประมาณสัก50กว่านาทีสี่สิบหกนาทีไปว่าเร็วเร็วมากตรงปูชิงทองสี่สิบหกนาทีจากนั่งก็50สนาทีประมาณนี้ห้าสิบกว่ากว่าหน่อยๆ แต่วันนั้นเราสวมใจหมวกลงตาทักทักหน้าทักหลังแต่เราท่องมาจนทักไม่อยู่เลยกันทักปั๊บไปปับ๊บทักปั๊บไปปับ๊บทักปั๊บไปแต่ท่กากโหกเก่งทักผพที่สุดปฏิโมกวันนั้นเกือบเจ็ดโมงเกันทจนชาวบ้านมามานั่งรอบนั่งรอบศาลาเกือบเกือบเต็มไปหมดแล้ะปฏิโมกเพิ่งจบ โอ้พอลงจากธมาสวันัทเทอเถอเถอเงือแตกหน้าแตกหลังโอ้ปฏิโมกวัดป่าบัดดาดแล้วโลกองไม่มีวาสนาแล้ววะยอมแพ้เออพ่อลงตาลงตาท่านท่านเป็นมหาใช่ไหมล่ะบาลีตดไหนที่มันเอ่อมันมันยาวเกินไปท่านก่อเอ่ออีโอโอเออมันโนเแนนะตัวนี้นะนาะนะนาะนะ ไม่ใช่นะนะนะตรงนี้รอนเขาจะมร อ, รอเรือเขาจะไมไม่ใช่รอลิงเออโทันทักเอาขนาดแนละ้วมากัดแต่มันเราเราเคยท่องมาจนว่าเอาจนแม่นที่สุดแล้วไงก่อนที่จะขึ้นแม่นตัวแต่มันไ ม, ไม่แม่นสระอาะดนซสิละ่ะถ้าให้ถูกสระอาดบาดเนีเอยผลใสุดไม่ได้ยอมแพ้และืองปฏิโมก เราจะเป็นผู้ฟังดีกว่าวะ่ะพอวันนี้จนถึงญาติโยมมาเตรียมตัวใส่บาตรจึงค่อยปฏิโมกจบดูแลเกือบสองชั่วโมงนะแต่พอต่อมาเราไม่ขึ้นบาตรพอเราไม่ขึ้นก็ไม่ว่าเพราะว่าเป็นวิสลับกันใช่ไหมพอวิศต่อมาอีกเราไม่ขึ้นเอกบาตร เ, เราไม่ขึ้นก็ผิดปกติแล้วเพราะว่ามันต้องขึ้นใช่ไหม พอต่อมาเราไม่ขึ้นเอก็กมันเป็นววกต์ต่อ ก, อกันอีกท่านก็เอาท่านอินท่านทำไมไม่ขึ้นสวดปฏิโมกอรู้ไม่รู้เหรอผิดกับถูกเวลาออกเสียงเน่ะหูกับปากท่านมันไม่อยู่ไกลกันเลยมันออกอูเอโอนีที่เราทักไปนั่นไม่รู้เหรอปากกับหูของท่านไม่เดูอดไกลกันเลยมันอยู่ใกล้ใกล้กันน่ะ ม有有 it, ah ันไม่รู้แล้วเสียงตัวไหนมันผิดเสียงตัวนี้มันถูกเสียงตัวนี้มันออกผิดออกถูกอักออกอักขระน่ยมันผิดถูกท่านไม่รู้หรอท่านไม่ได้ยินหรอหูกับปากท่านอยู่ใกล้ๆกันฮะของอยาบียบอย่างนี้ก็ยังทําไม่ได้ยิ่งของละเอียดมรรคผลนิพพานอยู่ในใจของท่านมันยิ่งละเอียดกว่านี้จะไปทําได้อย่างไงมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ขนาดของหยาบๆคนนี้ยังฝึกไม่ได้อย่าให้เราได้เห็นได้รู้อีกนะอว่าะว่าจะพูดไปอย่างอื่นเราก็ทถอๆๆไม่ได้เลยถ้าอย่าอยู่ที่นี่ต่อไปอีกปฏิโมกต้องได้แน่ๆท่นนี่มานี้ยก็มาฝึกใหม่บ้านนี่มาฝึกใหม่พูดพระช้าชา้บาบ้านี้ไม่เอาเร็วว่า ท, ท่านทักให้ทักใ ห, ให้ได้เร็วพอขึ้นมาก ท่านบอกว่าท่านสวดปฏิโมกเนี่ยนะเราได้ยินนะเวลาเราสวดปฏิโมกใหม่ๆเราสวดปฏิโมกขึ้นทีแรกเราต้องช้าสะกดอุปสทะกัรณะโตปุเบนววีถังปุบกิจยังกาตะบังโหติตันทานะสมัชฉนันจัตถะปิปุชละนันจอาสนะปัญญปานัญจปาเนีย รปริโผชนีอยู่ปฐหปนัญจฉันดารหานั่งภิกขูนั่งฉันดาหารานันจะเราจะพูดช้าๆนะแต่พอถึงเลยเพ่อเขานี่จะขี่ปาจะตีเลยลัวเลยบัดท่านลัวเลยท่านไม่ว่านะเนี่ยเพราะว่ามันช่วงปลายนะจะช้าไม่ได้เนะลยรัวเลยได้ไม่เป็นไรแต่ใหม่ๆต้องพูดจังหวะจะโคนนะอไม่ใช่ว่า ปบปรับขึ้นไปอุปชาตะกรณ์โตเปเบนเอาไว้ชังปุบ ป, ปัจังการตะบังไม่ได้อฉวดในนั้นไม่ได้ตรงตานะไม่เอาอแต่เนี้เราจังหวะรู้จังหวะขึ้นไปคราวนี่ก็เอาพูดช้าๆเลยแตเนี้ยอุปชาตะกรณ์โตท่านไม่เลยนะพอครั้งที่ครั้งที่สองเนี่ยนะครั้งที่สามเนี่ยนะท่านไม่ตำํำหนิตำหนิน้อยมากเลยบาทโอ้ยอ น, นี้จับเส้นถูกแล้ววะบาทคงจะทําอย่างนี้ละ่ะ สวดต่อไปนะเนี่ยจากนั้นมาหลวงพ่อก็เลยสวดเปลี่ยนสลับกันกับอาจารย์ยนะูนคนหนึ่งสวดปักหนึ่งคนหนึ่งสวดปักหนึ่งถ้าปวกปักไหนท่านจูนโดยมากท่านแพ้อากาศท่านเป็นบัดเ ก, ก็กๆพอตามไม่จริงท่านจะสวดอยากจะสวดตอนตอนตอนเย็นบางทีลงตา ก, ก็ต้องอวยตามนะเพราะท่านจูนสวดไม่ได้แต่ก่อนที่หลวงพ่อไม่ไม่รู้ว่าหลวงพ่อจะสวดได้นะ ท่านก็อวยตามเพราะท่านยูนสวดไม่ได้ไปขอท่านสวดตอนเช้าไม่ได้แพ้อากาศมันอากาศมันเย็นครับผมขอสวดตอนตอนบ่ายนะครับท่านก็อํานวยแต่ามไม่จริงความต้องการของท่านท่านอยากสวดตอนเช้าปฏิโมกข์บตาดนะบางทีท่านก็อํานวยอวยตามเพราะผู้สวดมีองค์เดียวนะเพราะนั้นท่านจึงให้มีสองเพราะนั้นท่านยูนวันไหท่านสวดไม่ได้ท่านก็เอาอาจารย์ท่านอินสวดน้า บางทีก็ว่าเร็วๆใกล้ๆยังมาบอกบางทีเป็นวิกของท่านโอ้บางนะักวิกนั้นสือึดก็มีไม่ใช่น้อยเหมือนกันโอ้ยผมสวดไม่ได้นะท่านขึ้นสวด น, นะอวันพุ่งเนี่ยนะพราะผมเป็นหวัดแพ้อากาศวันเนี้ยไปไม่ได้แล้วเอ้าทําไมไม่บอกผมแต่นานเอ้ามันก็เพิ่งแพ้นี่ยว่าเอาเราก็ต้องรับแล้วจนะอถ้าเป็นลักษณะที่อู้อืดอัดพราะมันใช้เวลาน้อยเกินไป การตวจปฏิโมกษ่อย่างน้อยต้องหนึ่งอาทิตย์นะหนึ่งอาทิตย์ต้องซ้อมกันก่อนที่จะขึ้นธรรมาทม์ช่อมสช้าซ้อมเย็นช่อมเช้าซ้อมเย็นซ้อมเช้าจนหลับตาซ้อมอีกต่างหากไม่ต้องมีหนังสือซ้อมคนเดียวบางทีถ้ามีหมูว่างๆโอ้เงยมานั่งฟังเราก็เป็นผู้หลับตาสวดองนั้นเป็นผู้ทวนให้ถ้าได้อย่างนั้นโอ้ดีมากถ้ามีองค์ไหนมานั่งมานั่งมานั่งดูให้แล้วเราเป็นคนสวด ทักสวดสักสองสามครั้งนะถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นแปลว่าคล่องนะเนี่ยแหละอันนี้เราเคยที่วัดป่าบ้านตาดจากนั้นมาหลวงท่านยู น, ยนยก็หนีไปท่านก็ให้หลวงพ่อสวดเป็นประจำเลยสวดทุกวันพระอย่างที่ว่าเนี่ยนะต่อมาหลวงพ่อจะออกไปเที่ยววิเวกปี2อ1 6 1 7อเต่อ18มั้งจะมามาข่าวด้นนะท่าน อินทำอินอยาจะออกไปหาภาวนาก็ไปได้นะเพราะว่าการอยู่กับเราเราอยู่กับหลวงปู่มั่นต้องออกไปตองออกไปฝึกต้องออกไปภาวนานะจึงได้จึงจะได้กำลังถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์รกระช่ยายอกรับพาละแต่ถ้าออกไปนะมันจะเป็นการฝึกออกทุดงออกไปภาวนาในป่าแต่ไปภาวนานะไม่ใช่เที่ยวตะเล่นตะลอนไปเรื่อยนะันไม่ไดนะ้ต้องหาภาวนาเข้าใไห มันมีสถานที่มีอยู่ที่จะแ ส, สวงหาที่ภาวนาเราก็วาดนะเราปนมนมือขึ้นบนรับลักษณะอย่างนั้นรับรับในใจแต่ท่านมาย้ำอีกเมื่อท่านจะออกต้องหาพระปฏิโมกนะต้องใครมีไ้ยในวัดเนี่ยต้องต้องเปลี่ยนองตัวนะพอเราสวดปฏิโมกเป็นประจำต้องหาตัวน ะ, ะเปลี่ยนนะขับพก จากนั้นเราก็ไปหาลุงปู่บนญมียลุงปูบงป่บนเมียท่านเออท่านพงศักดิ์เราจํารับจําได้ท่านปกศักดิ์ที่ว่าเป็นได้ปฏิมโมกได้แต่นั้นเอาเลขท่านพงศักดิ์มาท่านก็มาฝึกท่านพงศักดิ์เลยท่านลุงปู่บุญมีก็บอกว่าเออท่านพงศักดิก์คว่าชื่อว่าน่าจะใช้ได้นะถ้าใช้ได้กับผมก็กกราบลาเลยนะครับครูจารย์ผมจะออกไปหาภาวนาเออป่ะไปได้ จากนั้นหลวงปูป่บนเมท่างกัฝึกท่านพงศักดิ์หลวงพ่อก็ออกท่านทรงตัดปื้พั น, นานที่ขมแต่เนี่ยเขาลาสึกอขาไปแล้วก็อยู่ไม่ได้นานนะหลวงพ่อก็ออกมาทางมาเที่ยวทุกองทางอำเภอบ้านผือขึ้นมาพักหลวงปู่เพียนแล้วออกมาที่ไนหะขึ้นมาหลังผูย่าอู่แถบนี้แหละขึ้นมาแถบนี่เลยแหละมันเป็นป่าหลวงพงไพ่สมัยนั้นองพัน่งร้อยสิหกสิบเจ็ด แต่ได้ฟังฟังหลวงพ่อกลับลงไปไปถามเป็นไงนะครูจาร์ปฏิโมกข์อ๋อไปไม่รอดไปทําไมพอขึ้นไปท่าทักไปกลัวท่านเลพอไปพ้นสุดไล่ลงธรรมาะเอาหลวงปู่บุญมีขึ้นแทนหลวงปู่บุญมีเคยวดปฏิโมกเป็นประจําได้เป็นแซมเก่าของวัดป่า บ, บ้านตาดพอท่านแก่นนั้ท่านพูดเสียงสัน่นหลวงปู่บุญมีท่านเสียงสัน่นอยู่ใกล้องค์หลวงตาเดีท่านจะพูดอะไรไม่ออก เออพูดเทาพอเสียงสารท่านก็นเลยลุงปูพ่อแม่คุยจานแล้ให้หยุดอพอต่อมาเนี่ยท่านก็เลยให้ท่านเบิ่มเป็ น, นคนนครปฐมนะเอบวชเข้ามาเป็นลูกชิ์ของลุงพ่อบุญเรืองอลุงพ่อปินนะขึ้นมาลุงพ่อไปกันเนี่ยท่านเรืองนะเป็นองค์สวดอต่อมากระท่านสุดใจนี่แหละนี่แหละคือคล้ายๆว่าสายทอดกันมาเรื่อยๆนะเรื่องปฏิโมกนะ แปว่าหลวงพ่อสวดที่นั้นหอ้หลายปีที่เดียววันนั้นยังเล่าลูกให้ลูกให้หลานฟังนะปฏิโมกของหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่ว่าชํานิชํานานน ะ, เ, ะเขาไปเรียนกับพ่อก่อกับครูเหมือนกันหลวงตามหาบัวเนี่ยโอ้โหเรื่องปฏิโมกน่ยพิถีพิถันเอผิดตัวเดียวไม่ได้นะท่านคล่องมากจําได้ดีมากเลยเอทักปั๊บเลยทันทีแหละเราต้องอกลับมาพูดออกเสียงใหม่ ที่ท่านทักจุดนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือพระปฏิโมาากกูบาอจารย์พระกรรมฐานทะ่านไม่ได้ปล่อยปะละเลยไม่ใช่ลูลรัวๆ ๆ, ๆๆไปเินไม่ใช่นะไม่ต้องการเร็วนะต้องการให้ถูกอักคระแต่นี่หลว ง, งพ่อไปวัดหลวงปู่หลวงปู่จามแตท่านก็ไม่มีพระปฏิโมกใช่ไหมท่านเ็าพระแก่ๆมาสวดพอมาสวดท่านก็พูดนี่แหละ ภาษาเนี่ยก็อย่างว่ายตัวทอทหารก็เป็นทอทหารเป็นไม่ใช่ดะแล้เป็นพระไปเลยอตัวพพานก็เป็นพระไปเลยแล้วก็สวดไปจบลงแล้วก็ถามหลวงอาโอ้ยหลวงอาพระแกะ่ในสวดไม่ถูกตามอักขระนด้หลวงอาเฮ่ท่านไม่ใช่มาจากเกิดจากเมืองอินเดียเมื่อไหรว่วะหลวงอาจามว่านะ ได้จะได้จะจะใช้อันไหนผิดอันไหนถูกวะได้ขนาดได้ขนาดหนึ่งก็พอแล้วท่านไม่ใช่คนอินเดียขนาดคนอินเดียก็ยังพูดไม่ถูกด้วยวะอันไหนผิดอันไหนถูกเราปะเราได้ยินแล้วก็งงเหมือนกันโอ้ใช่ลวงอาได้พูดออกมาแบบนี้เราก็ยอมแพ้เหมือนกันนะวะนี่แบบะลงลงอาจามนะ หลวงพ่อไปฟังๆเลยนะถ้าองค์อื่นหลวงพ่อก็ไม่กลา้าท้วงการติงนะ้งอันนี้เป็นหลวงอาหลวงพ่อก็พูดว่าเฮ้ยหลวงอาองค์นี่หลวงตาเนี่สวดไม่น่าจะถูกนะไม่ออกอากาัคระจบไม่เปลี่ยนตัวหนังสือเลยตัวรอกเป็นตัวรอเรือก็เป็นรอเริเเรเเรงมดเหมือนกันนะเฮ้ยเขาสวดได้ขนาดนี้กเอาแล้วเอาอะไรพิถีพิถันอะไรมากมายนักหนาะเขาไม่ใช่คนอินเดียเนี่ยวะไม่ใช่คนค้างพุทธกาลที่ให้มพูด ถูกอักระทุกตัวได้เหรอเออเอาละพอหลวงพ่อก็ได้ได้บทเรียนอีกบทหนึ่งตุดนั้นอีกจากหลวงปู่จามเนี่ยพูดพูนให้ลูกให้หลานฟังเพื่อเป็นการเรียนรู้ศึกษา ล, ลูกหลานนะเนี่แหละปฏิโมกถ้าเป็นไปได้ลูกหลานนะบวชใหม่ใหญ่ที่หลังนะต้องฝึกซ้อมนะให้ได้ปฏิโมกจะภาคภูมิใจเป็นนานเท่า น, านั้นถ้าเราลองได้นะตอนนี้ไปสวดทายปฏิโมก